ที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เพราะว่าสาธารณะเหมือนกันนะอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสาธารณะอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นขอให้หนาเจ้าหน้าที่่ยท่านผูกํากับและนายตํำรวจทุกท่านที่มาอยู่อํเาเภนะอนายูอยู่ด้วยความสบายใจปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์สันติราชลูกหลานให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอ่า หลวงพ่อก่อเนี่ยอู่ในระดับนี่แหละถ้าจะวัดในระดับสูงไหมก็หลวงพ่อก็ไม่ได้ยกยอปอปั้นตัวเองหรอกหลวงพ่อกับหลวงพ่ออยู่ในระดับสูงนะเพราะเหตุไรเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่ในจังหวัดทั้งผู้ใหญ่ทุกทุกทัทุกท่านหลวงพ่อก็ได้รู้จักมักคุ้นกับท่านเหล่านั้นแล้วก็เนี่ย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 พ่อตายแล้วอเนสง์มีเป็นจิตใจเป็นกุศลเพราะว่าได้ลำดึกถึงพ่อปเจกพุทธเจ้าหมาตนน้นนะครับไปสู่สวรรค์ขึ้นไปอยู่เกิดในสวรรค์พ่อไปเกิดในสวรรค์ท่นี้เพราะตัวเองไม่ได้ตั้งอกตั้งใจอะไรเพราะเป็นหมานะขึ้นไปบนสวรรค์โอ้โหทำไมมีความสุขอย่างนี้ท่านนะสุขอะไรก็ได้คิดได้อย่างใจหมดถึงอะไรขึ้นมาก็ได้อย่างใจหมด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 อยากจะให้อย่างลุงพ่อนะ่ยอยากจะให้ลูกสิทธ์ดีลงพ่อก็ต้องทำดีให้ลูกสิทธิ์ดูแล้วก็ถ้านาดขราชการทุกหน่วยทุกห ม, กหมู่ทุกเหล่าอยากจะให้บริวารตัวเองดีก็ต้องทำดีให้บริวารตัวเองดูนะอันนี้ก็คือเป็นคำพังเพยหรือเป็นคำคนโบราณเขาพูดมาลุงพ่อพิจารณาดูแล้วอือใช่ลงพ่อเห็นได้ชัด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 วินาะทีนั่นคือปัจจุบันที่มันผ่านไปแล้วนะ่นคือเป็นอดีตที่ยังไม่ถึงนะแปลว่ายัง อ, น า, น, อนาคตอันนี้เราคืออนาให้ใจอยู่ในปัจจุบัน เ, เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ในเมื่อจิตใจของเราเป็นปัจจุบันจิตใจของเรารวมสงบนิ่งนิ่งมันนิ่งเหมือนานาฬิกาตายอย่างนั้นแต่เวลามันก็เดินอยูอ่แต่ว่าใจของเรามันนิ่งตัวของเรามันเนิ่งแต่เวลา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 ตายไปไม่รู้เท่าไหร่ะพูดง่ายๆนะมรณะนะไปเม่รู้เท่าไหร่เพราะเหตุอะไรเพราะอายุมากอและก็สู้กับโจรผู้ร้ายบ้างประสปประบอุบัติเหตุบ้างเจ็บไข้ในป่วยบ้างคือรุ่นพี่ๆของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเรารุ่นน้องๆวันนี้เป็นวันสําคัญเอแล้วก็ทําบุญบุธส่วนกุศลพวกที่ไปก่อนพวกเราที่จากไปก่อนพวกเรา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 ทำบุญอุทิศวนกุศลต่อผู้มีพระคุณสําหรับเราเพราเรามองไม่เห็นว่าท่านเหล่านั้นจะไปตกอยู่ทุกข์ใดยากหรือไปสวรรค์ชั้นใดหรือว่าไปเกิดในภพภูมิใดพวกเราไม่เห็นพวกเราก็ทําบุญกุศลไว้ก่อนในเมื่อเราทําบุญแล้วบุญกุศลเหล่านั้นไม่ไปถึงเขาอะรบุญกุศลแล้วจะไปตกถึงไหน